วันธรรมสวนะัสวันฝังธรรมวันพระนี้แปลว่าวันประเสริฐเพราะคำว่าพระนี้แปลว่าประเสริฐวันประเสริฐนี้หมายถึงว่าเราจะทาเราจะมาทำตัวของเราให้ประเสริฐให้ดีให้งานด้วยการทำความดีด้วยการคิดดีด้วยการพูดดี คนเราจะดีจะประเสริฐได้นั้นอยู่ที่การกระทําทําดีพูดดีคิดดีก็จะเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐเช่นพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้บูชาก็เพราะพระพุทธเจ้าคิดดีพูดดีทดําดีความดีนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของผู้ใดผู้หนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สมควรสิทธิ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำความดีได้ที่จะพูดดีได้ที่จะคิดดีได้ถ้าเราพยายามประพฤติปฏิบัติพยายามควบคุมความคิดของเราให้อยู่ในความดีเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีการที่เราจะพูดดีคิดดีทำดีได้ เราต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาอยู่สองสามประการด้วยกันคือเราต้องสร้างฮิริโอตปะคือความอายและความกลัวบาปเราต้องสร้างความเมตตาและความกุลนาเพราะคนดีนั้นจะดีได้ก็เพราะมีฮิริโอตปะมีความเมตตามีความกุณานั่นเอง นี่เป็นคุณธรรมที่สำคัญที่เราควรจะปลูกฝังให้มีอยู่ภายในใจของเราให้เจริญงอกงามขึ้นมาให้มากเพราะเมื่อเรามีคุณธรรมทั้งสามประการนี้แล้วใจของเราจะคิดดีพูดดีทำดีอย่างแน่นอนฮิเรโอตาปะแปลว่าความอายความกลัวบาว ทำไมเราต้องอายบาปทำไมเราต้องกลัวบาปเพราะบาปนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราเป็นเหมือนไฟที่จะเผาใจของเราให้ลุกเป็นนรกขึ้นมานั่นเองการทำบาปนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายเป็นที่น่ากลัวยิ่งกว่าการกระทาอื่นๆพวกเราเวลาจะออกจากบ้านเรายังต้อง แต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้าอาบท่าห ว, ว, วีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยให้ดูให้สวยงามก่อนที่จะออกจากบ้านเราจะไม่กล้าออกจากบ้านถ้าเราไม่ได้แต่งตัวให้เรียบร้อยชำระกายของเราให้สะอาดเพราะเราอายอายที่จะให้ผู้อื่นเขาเห็นความไม่สวยงามความไม่เรียบร้อยของเรา แต่ความเรียบความไม่เรียบร้อยความไม่สวยงามนี้ไม่น่าอับอายเท่ากับการกระทาบาปเพราะการความไม่สวยงามความไม่เรียบร้อยนี้ก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนอกจากทำให้ตัวของเรานี้ไม่น่าดูไม่น่าชื่นชมยินดีเท่านั้นเองแต่การกระทาบาปนี้น่าอับอายเพราะ เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและสร้างความไม่น่าไว้ใจให้กับตัวเราถ้าเราทำบาปแล้วเราจะเป็นคนที่ไม่มีใครไว้วางใจจะไม่มีใครเชื่อเราเช่นถ้าเราเคยพูดปดต่อไปเวลาเราพูดอะไรจะไม่มีใครเชื่อเรา ถ้าเราทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์หรือประพฤติผิดประเวณีเราก็จะไม่มีใครเข้าไว้วางใจเราเขาจะต้องมองเราว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมคนที่ทำบาปมักจะถูกสังคมตำหนิติเตียนประนามแล้วก็ลงโทษ คนที่ไปอยู่ในคุกในตารางนี้เพราะทำบาบนั่นเองถ้าปล่อยไว้ให้อยู่ภายนอกก็จะสร้างความเดือดร้อนเป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่นจึงต้องจับเข้าไปขังไว้ในคุกในตารางนี่คือบาปและผลของการทำบาป ที่เราควรที่จะมีความระอายและมีความกลัวระอายเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครเขารังเกียจเราเราไม่อยากให้ใครเขาประนามเราเราอยากให้คนเขารักเราชื่นชมยินดีในตัวเราเราก็ต้องอย่าไปทำบาปเราต้องกลัวบาปเพราะบาปเมื่อทำแล้ว ก็จะมีโทษตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็คือในใจเราพอเราทำบาปไปแล้วใจของเราจะมีความไม่สบายใจมีความวุ่นวายใจมีความกังวลใจแล้วก็เมื่อเราถูกเขาจับได้ว่าเราทำบาป <c oughs> ก็จะต้องถูกเขาลงโทษสังคมก็จะประนาม แม้แต่คนที่รักเราเช่นพ่อแม่บิดาบิดามารดาสามีภรรยาก็จะมองเราในในแง่ที่ไม่ดีเราก็จะเสียความมีศักดิ์ศรีของเราเราต้องเห็นโทษของการทำบาสนี่คือบาปที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันในชาตินี้ แล้วเมื่อเราตายไปแล้วยังต้องไปใช้กรรมต่ออีกด้วยเพราะบาปนี้จะทำให้เราต้องไปเกิดในอบายอบายก็มีอยู่สีฐานะด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกนี่คือที่ไปของผู้ทำบาปถ้าไม่อยากจะทำบาปถ้าไม่อยากจะไปในอบายก็ต้องไม่ทำบาป ด้วยการรักษาศีลห้าอย่างที่เมื่อกี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลห้ากันการสมาทานนี้หมายความว่าตั้งใจแสดงออกเจตนารมต่อสาธารณชนคือวันนี้เราประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าวันนี้เราจะรักษาศีลห้ากันเราจะไม่ทำบาป ก, กันเพราะเรากลัวผลของบา ที่จะตามมาเราอับอายกับการกระทําบาปเพราะเมื่อเราทําบาปแล้วเราจะเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นเราจะถูกผู้อื่นตําหนิตีเตียนถ้าเราไม่ต้องการที่จะรับผลของการกระทําบาปเราก็ต้องพยายามละบาป ด, ด้วยการรักษาศีล น, นี่คือคุณธรรม ที่เราควรจะมีไว้ในใจของเราไม่จำเป็นว่าผู้อื่นจะรู้หรือไม่ว่าเราทำบาปหรือไม่ทำบาปขอให้เรามีความอายเมื่อเรามีความอายแล้วเวลาเราทำบาปเราจะอายในตัวของเราเองถึงแม้ไม่มีผู้อื่นจะรู้ว่าเราไม่ดีแต่เราลิ้วอยู่แก่ใจ ถึงแม้จะมีคนชมเราว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ในใจของเราเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาชมกันเราจะไม่รู้สึกชื่นชมยินดีดีอกดีใจไปกับการการสรรเสริญเยินยอของผู้อื่นเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ดีอย่างที่เขา สารเสร่อนั่นเองเราจึงต้องพยายามสร้างความฮิริโอตาปะนี้ให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้เพราะเมื่อเรามีฮิริโอตาปะแล้วเราจะไม่กล้าทำบาปอย่างแน่นอนนี่คือคุณธรรมอันหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดีคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดี ก็คือความเมตตาความเมตตานี้ก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเวลาเราพบผู้อื่นเราควรจะมีความเมตตาคือมีไมตรีจิตอย่าไปคิดร้ายต่อผู้อื่นให้คิดดีต่อผู้อื่นให้มองเขาว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นญาติ เป็นเพื่อนร่วมโลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเราจะไม่อยากให้ผู้อื่นนั้นมีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของเราและเราจะไม่มีไม่คิดอาฆาตปราบาร์จองเวรจองกันผู้อื่นจะทําอะไร เราจะให้อภัยเราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเราจะไม่จองเวรจองกรรมถ้าเราสามารถมีสร้างความเมตตาให้อยู่ในใจของเราได้เราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราจะอยู่อย่างมีความปลอดภัยเพราะจะไม่มีใครมาทำลายมาทาร้ายเราเพราะเราไม่ได้ไป สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครนั่นเองก็จะไม่มีใครอยากจะมาทำร้ายเรานี่คือความเมตตาขอให้เราหมั่นสร้างกันให้เกิดขึ้นเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราจเจริญบทเมตตาเช่นสัพเพสัตตา อเวราหนตุอเ บ, บายาปั ช, ชาหนตุสุขีอั ต, ตานังปริหารันตุนี่เป็นการตั้งเจตนาเป็นการซ้อมไว้ก่อนแต่การแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องแผ่ในขณะที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆเช่นเวลาเราเจอใครเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกรียดเขา เราต้องแผ่เมตตาต้องแผ่ความรู้สึกที่ดีให้กับเขาเช่นมีความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขไม่เบียดเบียนเขาไม่โกรธแค้นโกรธเคืองไม่อาฆาตพยาบาทต้องต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันไม่ใช่ไปแผ่ในขณะที่เรานั่งอยู่ในห้องพระคนเดียวอย่างนี้ไม่เรียกว่าแผ่เมตตา ขณะที่เราสวดมนต์อยู่ในห้องพระนั้นเป็นการซอ้อมเป็นการสอนเราให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เวลาเราไปพบปะกับใครขอให้เราระมัดระวังขอให้เราอย่าไปคิดร้ายต่อผู้อื่นขอให้เราอย่าไปโกรธผู้อื่นขอให้เราอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นต้องคิดอย่างนี้เพราะเวลาเราเจอใคร เราก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายถามความสารทุกข์สุกดิบถามเขาว่าเป็นอย่างไรสบายดีหรือไม่มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าพอจะช่วยได้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนี่คือความเมตตาส่วนคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่เราควรจะมีก็คือความกรุณา คือความอยากให้ผู้อื่นนั้นพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนต่างๆเวลาที่เราเห็นใครเขาเดือดร้อนเขาตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือเรามีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ขอให้เราช่วยเหลือกันไปถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆถ้าเขาลำบากจริงๆ ความเดือดร้อนนุลนบากนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของความจำเป็นคือเดือดร้อนในปัจจัยสี่เช่นเดือดร้อนไม่มีอาหารรับประทานไม่มียารักษาโรคไม่มีเครื่องนึ่งหง่มหรือไม่มีที่อยู่อาศัยเหล่า น, นี้เป็นความจำเป็นที่เราไม่ควรที่จะดูดายถ้าเราพอที่จะสงเคราะห์กันได้ ในเรื่องของปัจจัยสี่ก็สงเคราะห์กันได้แต่ถ้าเดือดร้อนในเรื่องอื่นเช่นไม่มีสุราดื่มไม่มีบุหรี่สูบไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินเล่นการพนันอย่างนี้มาของเงินเพื่อที่จะไปทํากิจเหล่านี้อย่างนี้ไม่ควรที่จะช่วยเหลือเพราะไม่ได้เป็นการช่วยเหลือ แต่เป็นการส่งเสริมให้ทำบาปทำกรรมให้เหยียบย่ําทําลายชีวิตของตนเองเพราะการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตยนี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามีแต่จะเป็นโทษเพราะจะฉุดลากให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำนั่นเอง ดังนั้นถ้ามีใครเขามาขอเงินขอทองหรือขอสุราขอให้เราพาเขาไปเที่ยวหรือขอให้เราเล่นการพนันกับเขาอย่างนี้เราก็ไม่ควรที่จะทำเพราะไม่ได้เป็นความกรุณาที่แท้จริงความกรุณานั้นต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามเช่นช่วยเหลือผู้อื่น ให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ยากลาบากในเรื่องของปัจจัยสี่นี่เป็นเรื่องของร่างกายส่วนในเรื่องของจิตใจถ้าจิตใจเขามีความทุกข์ความวุ่นวายเช่นเขาอยากจะดื่มสุราเราก็ต้องสอนธรรมะให้กับเขาสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ดื่มสุรายาเมาเพราะการดื่มสุรายาเมานี้เป็นโทษ กับร่างกายและเป็นโทษกับจิตใจร่างกายก็จะมีอายุสั้นลงจิตใจก็จะไม่มีสติเมื่อไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมความคิดที่ไม่ดีได้เมื่อไม่สามารถควบคุมความคิดที่ไม่ดีได้ก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมต่อไปจึงควรจะสอนเขาว่าควรที่จะ อดสุราคนที่จะเลิกดื่มสุราเพราะจะเป็นประโยชน์กับเขาถ้าเขารับฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามที่เราบอกเขาได้เขาก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้เขาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการดื่มสุราได้นี่คือการมีความกรุณาเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษ ไม่ใช่ใครเขาขออะไรก็จะให้เขาไปเช่นเขามาข อ, อยืมเงินไปใช้หนี้อย่างนี้เราก็ไม่ควรที่จะให้เพราะว่าการมีหนี้สินนี้ก็เป็นการกระทาที่ไม่ดีไม่ควรจะกระทาถ้าเราให้เขาไปแล้วเขาก็จะไปเป็นหนี้สินต่อไปอีกเพราะเมื่อเขาใช้หนี้อันนี้ไปแล้วเขาก็จะไปกู้หนี้อันใหม่มาอีก อจะไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาอยู่ที่ว่าเขาไม่รู้จักบริหารเงินของเขานั่นเองเขาไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้เงินไม่รู้จักหาเงินคือหาเงินได้น้อยกว่าการใช้เงินถ้าอย่างนี้ก็จะต้องมีหนี้มีสิแต่ถ้าเขารู้จักหาเงินให้มากกว่าการใช้เงิน เขาก็จะไม่มีหนี้ไม่มีสินถ้าเขามาข อ, อยืมเงินเราเราก็ควรที่จะสอนให้เขาอดทนอย่าใช้เงินโดยไม่จบเป็นให้หาเงินให้มากๆขยันหาเงินให้มากๆแล้วก็ให้เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ถ้ามีหนี้สินก็เอาไปใช้ให้หมดเสียก่อนอย่าไปซื้อสิ่งอื่นที่ไม่จาเป็น ถ้าจะซื้อก็ซื้อแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสีเพราะถ้าไม่มีปัจจัยสี่ร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ร่างกายก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วตายไปใไนที่สุดนี่คือเรื่องของความการุณาคือการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือได้แต่ต้องช่วยเหลือให้ถูกต้องช่วยเหลือจริงๆช่วยเหลือให้เขา ได้รับประโยชน์จริงๆอย่าไปช่วยเหลือเพื่อให้เขาแย่ลงไปให้เขารับความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอย่างนี้ไม่ได้เป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริงถ้าจะช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยธรรมะเพราะการให้ธรรมะนี้ชนะการให้ทั้งปวง ให้อะไรก็ไม่ดีเท่ากับการให้ธรรมะให้คําสอนที่ถูกต้องให้เขาได้มีมีแสงสว่างนําทางพาชีวิตของเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีธรรมะเท่านั้นที่จะทําได้เงินทองนี้ไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทางร่างกายได้เช่นถ้าไม่มียารักษาโรคไม่มีหมอไม่มีเงินไปซื้อยารักษาโรคถ้าได้เงินมาไปซื้อยาก็จะช่วยรักษาโรคได้แต่จะรักษาได้เพียงแต่โรคของร่างกายจะไม่สามารถรักษาโรคของจิตใจได้โรคของจิตใจนี้ต้องใช้ธรรมโอสถ ธรรมะโอสถนี้จะรักษาโรคภัยต่างๆภายในใจให้หมดไปได้เช่นเอรรโอตปะนี้ก็เป็นธรรมะโอสถชนิดหนึ่งถ้ามีเอเรโอตปะแล้วก็จะไม่ทำบาปเมื่อไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไปรับผลของบาปทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านร่างกายจิตใจก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวาย ร่างกายก็ไม่ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปอยู่อย่างอดยากขาดแคลนเพราะเรามีธรรมโอสถก็คือฮีริโอตปะที่จะรักษาป้องกันไม่ให้ใจของเรามีความทุกข์ส่วนความเมตตาและความกรุณานี้ก็เป็นธรรมโอสถคือยาบำรุงทำให้ใจของเรา มีความสุขมีความร่มเย็นเวลาที่เรามีความเมตตาเราจะรู้สึกสบายใจเวลาที่เรามีความกรุณาเราจะรู้สึกมีความสุขใจเวลาที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์ให้แก่สังคมเราจะมีความสุขใจนี่คือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของความดีเรื่องของการ ทำตัวเราให้เป็นคนดีอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าก็ทำความดีให้เราไม่ได้บุคคลอื่นก็ไม่สามารถทำความดีให้กับเรามีเราเท่านั้นที่เราจะต้องทำความดีเองด้วยการคิดดีเมื่อเราคิดดีแล้วเราก็จะพูดดีทำดี การที่เราจะคิดดีได้เราก็ต้องมีธรรมะคือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องคือรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาเราต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องผิดถูกดีชั่วเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องบุญนั่นเองถ้าเราไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเมื่อเราไม่รู้เราก็จะไม่สามารถแยกแยะได้เวลาที่เรามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาภายในใจ เราก็จะคิดว่าดีก็ได้เช่นคนที่ดื่มสุราเขาก็คิดว่าความอยากดื่มสุรานี้เป็นความคิดที่ดีเพราะเขาคิดว่าดื่มสุราแล้วทำให้เขามีความสุขหรือคนที่คิดชอบไปเที่ยวอย่างนี้เขาก็จะคิดว่าไปเที่ยวแล้วมีความสุขแต่เขาไม่เคยคิดว่าการไปเที่ยวนี้ เป็นการทำลายเงินทองของเขาเป็นการดูดรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเขาให้น้อยลงไปเรื่อยๆและให้หมดไปได้ไม่ได้เป็นการเพิ่มเงินเพิ่มทองเพิ่มทรั์สมบัติเข้าของเงินทองให้มีมากขึ้นจะทำให้เขายากจนลงโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวเพราะเขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนนั่นเอง ถ้าเขาศึกษาเขาจะรู้ว่าการเที่ยวนี้เป็นโทษอันตรายเพราะจะทำให้สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปทีละเล็กทีละน้อยและหมดไปได้ในที่สุดคนที่ไม่รวยนี้ก็เพราะว่าใช้เงินไปกับการเที่ยวนี้เองคนที่รวยนี้เขาจะไม่เที่ยวกันเขาจะเก็บเงินเก็บทองเขาจะเอาเวลาเที่ยวมาทำมาหากิน หาเงินเพิ่มวิธีที่จะเพิ่มเงินก็คือการขยันหมั่นเพียรทามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวิธีที่จะยากจนก็คือวิธีใช้เงินอย่างฟุม่มเฟือยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้จะทำให้เรายากจนถ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องของคุณและของโทษของความคิดของเราแล้วเวลาที่เราคิด จะทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเราเราก็จะได้ยับยั้งได้เช่นจะไปดื่มเหล้าเราก็คิดได้ว่าโอ้ดื่มเหล้าไม่ดีไม่ควรจะดื่มเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพเสียสตินะถ้าจะไปเที่ยวก็คิดว่าเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปทำงานดีกว่าไปทำงานไปทำมาหากินได้เงินทองเพิ่มขึ้นมาอย่างไหนจะดีกว่ากัน เสียเงินไปหรือได้เงินมาพวกเราทุกคนต้องการเงินกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือมีใครอยากจะเสียเงินเสียทองกันบ้างแล้วทำไมเราถึงกล้าไปเที่ยวกันเพราะเราไม่คิดกันนั่นเองเราคิดว่าเราไปเที่ยวแล้วมีความสุขเราสนุกแต่เราไม่รู้ว่าความสุขนี้เป็นความสุขเพียงประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองเวลาไปเที่ยวก็สนุกดีมีความสุข แต่พอกลับมาบ้านก็มีความเศร้าตามกลับมาแล้วเพราะจะมีปัญหาตามมาแล้วคือจะหาเงินที่ไหนมาใช้ต่อไปเพราะใช้เงินหมดไปหลายสตางด้วยกันนี่คือความทุกข์ความเศร้าที่จะตามมาจากการไปเที่ยวเราไม่คิดให้รอบครอบนั่นเองเราคิดเอาแต่ได้เวลาเราอยากจะได้อะไรเราว่ามันดีเป็นหมด แต่เราไม่เคยคิดถึงผลเสียที่จะตามมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษแต่เรามักจะมองไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของสุราไม่เห็นโทษของการไปเที่ยวไม่เห็นโทษของการเล่นการพนันเราแต่จะเห็นคุณอย่างเดียวเช่นเราแทงลอตเตอรี่เราก็จะคิดว่าเราจะถูกอย่างเดียวจะรวยอย่างเดียว แต่แทงมาแล้วไม่รู้กี่กี่เดือนกี่ปีหมดเงินหมดทองไปเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นโทษของการแทงลอตเตอรี่ว่าทำให้เรายากจนลงไปไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นมาเลย<ม>เพราะเราไม่มองทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบนั่นเองจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเวลาอยากจะได้อะไรก็คิดว่าดีอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่า มีความเสียหายตามมาถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะได้ยินทั้งสองด้านด้านดีเราก็จะได้ยินด้านเสียเราก็ได้ยินด้านดีก็คือการมีความขยันหมั่นเทียนทำมาหากินด้วยความซื่อสัสตย์จริงตเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ให้มากๆอย่าเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นนี่คือด้านดีด้านเสียก็คือ การเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มไปเล่นการพนันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่เป็นการหมกเงินหมดทองไม่ได้ทำให้มีเงินทองเพิ่มขึ้นมาเราจึงต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเรยพราะพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระขึ้นมาวันพระก็คือวันธรรมมัดสวาะแปลว่าวันฟังธรรมนี่เองวันฟังธรรมก็คือการศึกษาเร่มเรียน ให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์นั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะฉลาดเราจะมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าอะไรเป็นโทษเห็นว่าอะไรเป็นคุณเมื่อเรารู้แล้วอะไรเวลาที่เราจะคิดทำอะไรที่เป็นโทษเราก็จะหยุดได้เวลาที่เราจะ ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็จะรีบทาทันทีเลยแล้วประโยชน์สุขก็จะเป็นผลที่จะตามมาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความดีมาคิดดีมาพูดดีมาทำดีด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป